ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้เรียนพระสูตรชื่อว่าสังขธรรมะสูตรจากคำพีสังยุตติกายสลายตนะวัคประไตรปิฎกเล่มที่18ปสังขธรรมะก็แปลว่าเปล่า เป่าสังสังขะก็แปลว่าสังหรือว่าแตรบ้านเรานี่แหละนะแตรอันตโตโตเวลาคนเป่าสังขะธรรมะการเป่าสังการเป่าแตรสังขะธรรมะสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องอุปมาการเป่าแตรการเป่าสังให้มันมีเสียงดังสําหรับคนเป่าสังที่มีเสียงดังก็ทําให้ เสียงนั้นะ่ะกลบไปทั่วทุกทิศแผ่ไปทิศหนึ่งทิศสองทิศสทิศสี่ครอบคลุมไปทั้งหมดนะครอบคลุมเสียงอื่นๆหรือว่าครอบคลุมไปทุกทิศทางอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรีย น, ยนไปก็จะรู้ว่าอา้าวทาไมพระสูตรนี้จึงอุปมารเรื่องของการเป่าแตร ى, การเป่าสังนะบางทีเรียนไปแล้วอาจจะงงหนักกว่าเดิมก็ได้ ไม่รู้เรื่องหนักกว่าเดิมหรือบางทีอาจจะรู้เรื่องขึ้นก็ได้นะครับแต่จริงๆพระสูตรนี้กล่าวเรื่องของการทำกรรมที่เป็นชั้นต้นๆที่เรารู้จักกันดีนั่นแหละคือเรื่องของศีลทั่วไปนะครับเราก็เรียนเรื่องยากๆมาเยอะแล้ววันนี้ก็เรียนเรื่องต้นๆคือเรื่องของศีลเริ่มตั้งแต่ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของศีลที่ไม่ถูกต้องของเจ้าลทัทธิคนหนึ่งแล้วก็ ความเห็นที่ถูกต้องตามแนวที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกนะครับทีนี้หลังจากเข้าใจศีลหรือว่าหลังจากเข้าใจการปฏิบัติขั้นจริยธรรมที่เป็นแบบที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็สามารถสลายกรรมพวกนี้ได้การสลายกรรมพวกนี้ก็คือใช้กรรมที่สูงขึ้นไปกว่านี้แล้วก็เหนือขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะสลายกรรมอันต้นๆหรือว่า สลายกรรมอันพื้นพื้นได้นะถ้าพูดแบบเป็นชั้นชั้นก็ถ้ากรรมที่เราทาในก ร, รมภูมิเป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างในกามภูมิเมื่อฝึกฝนตนเองให้จิตใจอยู่เหนืออันนี้ขึ้นไปกรรมในก ร, รมภูมิก็หมดไปสลายไปไม่ตั้งอยู่ในรูปภูมินะถ้าฝึกฝนตนเองให้อยู่เหนือรูปภูมิไปรูปไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจแล้ว กรรมที่ทำในรูปประภูมิก็สลายไปนะกลายเป็น อ, อรูปประภูมิแทนอย่างนี้ถ้าเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดแล้วกรรมพวกนี้ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่เหนือกรรมไปอย่างนี้เขาเรียกสลายกรรมนะครับอันนี้ก็เรียนไปก็จะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็อุปมาคล้ายๆกับเรื่องของการเป่าแตรเสียงสังที่ มันแผ่ไปทุกทิศนะครับแผ่ไปทุกทิศก็เป็นลักษณะของกรรมที่ทําในพวกรูปประภูมิหรือว่ากรรมที่ทําโดยการแผ่เมตตาจิตกรุณาจิตเป็นต้นนะเมตตาเจโตวิมุตติกรุณาเจโตวิมุตติเป็นต้นเหล่านี้มันก็จะแผ่ครอบคลุมพวกกรรมที่เป็นของเล็กๆน้อยๆที่ทําในการปรภูมินะกรรมเล็กๆ น, น้อยๆในการประภูมินี้ มันเกิดจากจิตยึดถือเวลาจิตเกิดการยึดถือนั่นยึดถือนี่มันก็ทํากรรมทํากรรมเพื่อตัวเองถ้ารักตัวเองมากๆก็เบียดเบียนสัตว์อื่นอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นกรรมเล็กๆน้อยๆกรรมที่เกิดจากความยึดถือเมื่อจิตมันสูงขึ้นไปกว่านี้กรรมพวกนี้ก็โดนสลายไปอย่างนี้นอุปมาก็มีหลากหลายนะแต่ว่าตัวสลายกรรมหรือว่าตัวที่ จะทำให้กรรมหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการเพราะว่าจะทำให้จิตนั้นกว้างขึ้นแต่เดิมกรรมที่เคยทำด้วยจิตที่แคบแคบมันก็จะโดนสลายไปก็ให้ผลไม่ได้อย่างนี้นะอันนี้เป็นลักษณะของตามคำอุปมานะคือการเป่าแตรเป่าแตรถ้าคนมีกำลังเป่ามันก็จะแผ่ไปทุกทิศเหมือนคนเจริญเมตตาจิตก็แผ่ไปทุกทิศ แต่นั้นกรรมของเขาที่ทำเล็กๆน้นอยๆจากความยึดถืออะไรต่างๆค่าสัตว์ลักทรัพย์มันก็โดนสลายไปด้วยกำลังของกรรมที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเรียนดูนะจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะงงเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะ ในบาลีข้อ360นะครับในคำภีสั่งยุตนิกายสลายตนะวักเดี๋ยวอ่านย่อหน้าแรกพร้อมกันก่อนนะครับเอกังส ม, มยังภควานาลันดายังวิหรติปาวาริกัมวะวเนอธะโขอิสิพันธะกะปุตโตคามนินิคันทะสาวะโก เยนาภควาเตนุปสสังกมิอุปสังกมิตวาเอกมันตังนิสินนังโขอสิปันทะกะปุตตังคามนิงภคะวาเอตนาโวจะกะถังนุโขคามนินิคันโถนาตปุตโต สาวกานังทร ม, มังเดเส ต, ติเอวังโขพันเตนิคันโถนาตะปุตโตสาวกานังธร ม, มังเดเสติโยเกโจิปานังอติปาเตติสับโบโสอาปาญิโกเนระยิโก โยโกจิอะดินนังอะดิยติสับโสอาปาญิโกเนระยิโกโยโกจิกาเมสุมิจฉาจระติสับโสอาปาญิโกเนระยิโกโยโกจิมุสาพนาติ สับโบโสอาปายิโกเนระยิโกยังบะหุลังยังบะหุลังวิหารติเตนะเตนะนิยติติเอวังโขพันเตนิคันโถนาตปุตโตสาวกานังธรมมังเดเสติติ ยังบาหุลังยังบาหุลังจะคามนิวิหรติเทนะเทนะนิยติเอวังสันเตนโกจิอาปาญิโกเนระยิโกภวิสติยะถานิคันทัตสนาตปุตตสวจนัง บาลีข้อ360อกเอกังสมยังในสมัยหนึ่งพักวานาลันดาอย่างวิหารติปาวาริกัมบวเนพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปาวาริกัมพวันสวนอัมพวันสวนมะม่วงชื่อว่าปาวาริกะที่นิคมนาลันธานิคมนาลันธานะอยู่ในราชคลึ่ อยู่แถวแถวนั้นอธะโข อ, อสิบรรท ก, กะปุตโตคามันินิคันทะสาวโกลำดับนั้นแลสาวกของนิคลนผู้เป็นนายบ้านชื่อว่าอสิพันธ ก, กะปุตรคามันิก็แปลว่านายบ้านภาษาเราทุกวันนี้ก็คือผู้ใหญ่บ้านคนดูแลบ้านเป็นนายบ้านอสิพันธ ก, กะปุตโตนี้เป็นชื่อเขาชื่อว่าอสิพันธ ก, กะปุตร บุตรของนายอสิพันธกะนิคันธะสาวโกเป็นสาวกเป็นลูกศิษย์ของนิครนนิครนก็เป็นศาสดาองค์หนึ่งครูคนหนึ่งในสมัยนั้นที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีชื่อเสียงมาตนทุกวันนี้นะก็ยังมีอยู่ในอินเดียทุกวันนี้ก็คือท่านมหาวีระ น, ะนั่นเองนะท่านเป็นศาสดาองค์หนึ่งในชื่อในที่นี้เรียกว่านิคันธะ นะท่านมหาวีระนี่เป็นสิทธิ์ร่วมสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนกันในยุคเก่านะเคยปฏิบัติเหมือนๆกันมาหมดนะปฏิบัติแบบไม่มีมารยาทเลียมือหรือว่าทุกขลักกิริยาอะไรต่างๆนี้ทำํำเหมือนกันเพราะว่าไปเรียนมาจากสำนักแบบเดียวกันแล้วก็เอามาทําแข่งกันทีนี้ตอนหลังก็แยกย้ายกันไปพอแยกย้ายกันไปพระพุทธเจ้าก็คล้ายๆกับว่าจะทําให้เต็มที่ของเขาว่างั้นเถอะนะก็ ทำอย่างที่เขาไม่สอนก็ทําไปหมดอ่ะทำไปหมดนะที่จริงไปเรียนมาไม่โหดขนาดนั้นพระองค์ก็ไปทำโหดๆกว่านั้นเยอะพระองค์ก็เลยบอกว่าโอ้เรื่องการทำโหดๆนี่นะทุกขรกิริยาเนี่ยไม่มีใครทําเกินกว่าเราตถาคตแล้วถ้าบรรลุได้ด้วยทุกขรกิริยานี้เราบรรลุไปแล้วความหมายคืออย่างนั้นไปทําหนักกว่าเขาทําหนักกว่าที่เรียนมาอีกแต่ท่านนิครนั้นท่านก็ไปทําตามที่เรียนมานะพอทําตามที่เรียนมาท่านก็คิดว่า โอ้ท่านนี้ได้ผลแล้วได้บรรลุสัพพัญยุตยานเหมือนกันก็ประกาศศาสนาเป็นศาสนาเชนนะครับอันนี้ก็คือท่านนิคันทะนี่แหละนิคันทะนาตบุตรท่านมหาวีระนี่เป็นคนรุ่นเดียวกับพระพุทธเจ้านะครับในบรรดาครูทั้ง6นั้นครูที่เป็นรุ่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันแล้วทาอะไรเหมือนๆกันเนี่ยก็คือท่านนิครนเนี่ยท่านมหาวีระ ฉะนั้นเวลาปั้นรูปออกมาเนี่ยจะเหมือนเหมือนกันเลยหน้าตาเหมือนกันเด๊นะถ้าเราไม่ดูจีวรเนี่ยจะเหมือนกันนะอย่าหลงก็แล้วกันบางคนเห็นท่านมหาวีระไปกราบอะไรอย่างเนี้นะแต่ท่านเป็นคนดีนะท่านมหาวิระเนี่ยก็คือท่านสอนเรื่องอาหิงสาสอนเรื่องการไม่เบียดเบียนแต่ว่าท่านสอนสุดโต่งในแง่มุมของการเชื่อว่าคนมันมีบาปติดตัวมาก็เลยต้องละบาปด้วยวิธีธรรมทุกขกิริยานะ คือทุกคนมีบาปติดตัวมาฉะนั้นเราทําบาปติดตัวมาแล้วก็เลยต้องทําทุกขกรรมปีญาบำเพญ็ญเพียรให้มันยากลําบากเข้าไว้กรรมเก่าๆมันจะได้สิ้นไปแล้วก็ไม่ทํากรรมใหม่นะครับการบําเพ็ญของท่านจึงเข้าทํานองที่ลําบากมากนะต้องไม่ทําร้ายไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วก็ไม่เบียดเบียนอะไรอะไรพยายามไว้นะครับเวลาจะเดินไปก็กลัวจะเหยียบมดก็ต้องมีไม้กวาดถือไปด้วย กวาดไปข้างหน้าด้วยแต่ตอนกวาดแล้วโดนคอมดหักนี่ไม่ได้กินนะกลัวเหยียบมดก็กวาดไปอย่างนี้นะไปเที่ยวบินธบาตแล้วถ้ามีคนจะใส่บาดหมานั่งมองอยู่ก็ไม่รับเพราะว่าถือว่าเบียดเบียนหมาหมามันนั่งมองอาหารอยู่อันนี้คือพยายามจะไม่เบียดเบียนอะไรใครเลยนะเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านก็ทำเหมือนกันท่านก็ทําแบบเดียวกันนี้ท่านก็มาเล่าให้พระสารีบุตรเป็นต้นฟังเพราะว่าท่านทําแบบเดียวกันเรียนมาแบบเดียวกันนะครับ สมมุติว่าถ้าไปบินธบารแล้วคนเขากําลังจะใส่บาตรมีแมงวันมาตอมข้าวก็จะไม่รับอาหารนั้นเพราะถือว่าเบียดเบียนแมงวันนะเพราะว่าแมงมันเป็นอาหารแมงวันพยายามจะไม่เบียดเบียนอะไรซึ่งก็เป็นความคิดที่ดีนะแต่ว่ามันก็สุดต่งเกินไปนะครับอันนี้ตอนนี้ก็มาพูดถึงในพระสูตรนี้ก็แล้วกันนะครับ พระสูตรนี้กล่าวถึงนายคามณิคือนายผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งชื่อว่าอาสิพันธะกบุตรซึ่งเป็นสาวกของท่านนิครนนี้แหละเยนาภควาเตนุปสังกมิก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในยุคเก่าๆนั้นเขาถือว่าเป็นยุคแสวงหาด้านจิตวิญญาณหรือว่าด้านความรู้สติปัญญาฉะนั้นพวกนิครนก็เข้ามาสานักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายก็เข้าไปสานักนิครซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามาก เป็นเรื่องที่เขาไม่ได้ว่าอะไรกันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรจะเถียงกันเรื่องความเห็นแต่เขาไม่มีการฆ่ากันหรือว่าไม่มีการทําร้ายเบียดเบียนกันด้วยอย่างอื่นแต่ว่าถกเถียงกันในแง่มุมของทิฏฐิเท่านั้นเองฉะนั้นในยุคเก่าเก่านะถ้าเราอ่านตามพระสูตรภิกษุทั้งหลายก็จะเข้าไปสํานักนิครนหรือว่าสํานักบริพภาชกพอเข้าไปแล้วก็ไปฟังฟังธรรมพอฟังแล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยท่านก็ไม่ยินดีไม่ยินร้าย ไม่ยินดีไม่อนุมโมทนาแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปถามพระพุทธเจ้าและวเนี่ยได้เรื่องแล้วจะได้โมีโอกาสฟังธรรมะก็เอาไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะแสดงธรรมให้ฟังอย่างนี้หรือว่าพวกปริพาชกพวกพราม์พวกนิครนก็เข้ามาสู่สํานักของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเข้ามาถามปัญหากับภิกษุถกเถียงกันบ้างอะไรกันบ้างแล้วก็บางทีตกลงกันไม่ได้ไม่รู้ว่าใครพูดถูกพูดผิดก็ามาหาพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ได้ ในพระสูตรจึงมีมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งซึ่งสาวกของนิครนชื่อว่าอาสิพันธก บ, บุตรผู้เป็นผู้ใหญ่บ้านเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคอุปสรงกมิตวาเอกมันตังนิสินนองโข อ, อสิพันธก บ, บุตรตังคามณิงพระวาเอตตะดโวจะรันเข้าไปเฝ้าแล้วก็สนทนากันนะแล้วก็นั่งาที่สมควร พระผู้มีพระภาคก็ได้กล่าวคำนี้กับนายผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าอสิพันธก บ, บุตรผู้นั่งแล้วหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่ากะถังนุขโขคามณินิคันโถนาตะปุตโตสาวกานังธรร ม, มังเดเสติดูก่อนนายคามณิถือดูก่อนนายผู้ใหญ่บ้านนิคร น, นาตบุตร ย, ย่อมแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างไรหนอ พระพุทธเจ้าก็ถามนายคาม น, นินี่บอกว่าดูก่อนคาม น, นินิครนนาตบุตรนั้นย่อมแสดงธรรมะแก่สาวกทั้งหลายอย่างไรหนอนายคาม น, นิก็ตอบว่าเอวังโขพันเตนิคันโถนาตบุตรโตสาวกานังทา ม, มังเดเสติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนิคร น, นาตบุตร ย่อมแสดงธรรมะแกสาวกทั้งหลายอย่างนี้แล ว, ว่าโยโกจิปานังอติปาเตติสัปโโบโสอาปาญิโกเนรยญิโกบุคคลใดก็ตามที่ยังชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปคือฆ่าสัตว์นั่นเองบุคคลใดก็ตามที่ยังชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปคนนั้นทั้งหมดทุกคน จะไปอบายแล้วก็ตกนรกนี่ก็สอนดีเหมือนกันนะนี่สอนว่าโยโกโจิปานังอติปาเตติบุคคลใดๆที่ยังชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปสับโบโศบุคคลนั้นทั้งหมดทุกคนอาปาญิโกจะไปอบายเนระญิโกจะตกนรกนี่เขาสอนอย่างนี้นะครับเพราะว่านายบ้านนี้เป็นคราวาสนะ เหมือนกับพระพุทธเจ้าถ้าสอนคารวะาก็สอนเกี่ยวกับแบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ท่านนิโคโรนาตบุตรก็สอนลูกศิษย์แบบชาวบ้านชาวบ้านเหมือนกันบอกว่าคนเหล่าใดที่ฆ่าสัตว์นี้นะคนพวกนั้นทั้งหมดนะ่ะจะไปอบายตกนรกโยโกโจิอดินังอดิญติบุคคลใดก็ตามที่ถือเอาสิ่งของที่บุคคลไม่ได้ให้สับโบโศอาปาญิโกในระิโก คนนั้นทุกคนทั้งหมดจะไปอบายตกนรกโยโกจิกามสุมิชฉาจริตบุคคลใดก็ตามที่ประพฤติผิดในกามสัพโโบโสอาปาญิโกเนระยิโกคนนั้นทุกคนจะไปอบายตกนรกโยโกจิ ji, มุสาพนติบุคคลใดก็ตามที่พูดคาเท็จ สับโโบโสอาปาญิโกเนรยิโกคนนั้นทุกคนจะไปอบายตกนรกยังบาหูลังยังบาหูลังวิหรติกรรมอันใดอันใดที่กะระทําเอาไว้มากยังบาหูลังกรรมอันใดที่มันเยอะมันเยอะกรรมเยอะๆยังบาหูลังวิหรติกรรมอันใดที่ทํามากอยู่ด้วยกรรมชนิดไหนๆมากเตนะเตนะนียติ บุคคล น, นั้นก็จะถูกนำไปตามกรรมนั้นๆนสอนดีไหมอย่างนี้ก็ฟังดูดีๆก็แหมดูเข้าท่าเหมือนกันแต่จริงๆไม่ถูกนะอันนี้นะครับบางคนก็ยังมีความเห็นเรื่องอย่างนี้อยู่นก็คือเห็นว่าโยโกจิปานังอติปาเตติคนใดๆที่ทำชีวิตสัตว์ให้มันตกล่วงไปหรือว่าฆ่าสัตว์คนนั้น จะไปอบายตกนรกใช่ไหมถ้าคิดอย่างนี้ก็เป็นคําสอนของนิครนท่าน น, นิครนท่านสอนนะอันนี้บุคคลทํากรรมอะไรอะไรเอาไว้มากเนะี่ยคนนั้นก็จะไปตามกรรมอันนั้นที่ทํามากๆนั่นแหละใช่ไหมคล้ายๆจะใช่แต่เป็นของท่านนิครนนิครนท่านสอนแบบนี้นะครับก็คือคนไหนที่พูดโกหกคนนั้นก็จะไปอบายตกนรก คนไหนที่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้คนนั้นก็จะไปอบายตกนรกคนไหนที่ประพฤติผิดในกรรมคนนั้นก็จะไปอบายตกนรกนี่นะอันนี้เป็นลักษณะคำสอนของท่านนิครนเพราะว่าท่านนิครนนี่มีลักษณะที่ท่านยึดถือเรื่องกรรมเก่านะสอนดีนะไม่ให้เบียดเบียนแต่ว่ามีความเห็นผิดในแง่มุมของความเป็นตัวตนยังตัดไม่ขาด นะครับยังมีความเห็นผิดในแง่นั้นนะเราทั้งหลายถ้ายังมีความเห็นผิดในแง่นั้นก็จะเกิดความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันคือว่าคนใดที่ทำปาณาติบาตเช่นเราฆ่าสัตว์แล้วก็โอ้จะตกอบายนี่จะรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันมีความรู้สึกว่าเราเราอยู่ขึ้นมาอันนี้ก็จะทำให้เกิดการทำกรรมที่มันวนเวียนเพราะว่ากรรมต่างมันเกิดขึ้นมาได้จากการที่เราไปคิดถึงอดีตบ้างคิดถึงอนาคตบ้าง คิดถึงปัจจุบันบ้างแล้วถูกผูกไว้นะพอถูกผูกไว้มันก็แกะไม่ออกเช่นว่าเราคิดถึงอดีตพอคิดถึงอดีตก็โอ้เราเคยทำนั่นเคยทำนี่เคยอย่างนั้นเคยอย่างนี้พอคิดถึงอดีตแล้วก็เพลิดเพลินกับอดีตก็ถูกอดีตนั้นผูกเอาไว้ถูกเรื่องอดีตผูกอันนี้เขาเรียกว่าสังโยชน์การคิดถึงขันในอดีตนะถ้าเป็นอริยาสาวกนี้ เขาจะทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ฐานะของอริยาสาวกถึงจะคิดถึงอดีตก็ไม่ถูกอดีตผูกเอาไว้ฉะนั้นกรรมในอดีตจึงไม่มีผลนะครับเพราะว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับแล้วนะไม่มีอะไรแต่ว่าคนที่เขาไม่รู้เขาก็จะไปผูกกับอ น, นันต์เอาไว้พอผูกกับอ น, นันเอาไว้ก็เป็นความเห็นผิดของเขาพอความเห็นผิดของเขาไปผูกกับเรื่องนั้นเอาไว้กรรมเหล่านั้นก็สามารถให้ผลวนเวียนได้อย่างนี้นะ ทำนองนี้นะในอนาคตก็ทำนองเดียวกันบุคคลบางคนคิดถึงอนาคตพอคิดถึงอนาคตแล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะได้นั่นจะได้นี่จะเจริญก้าวหน้าจะเป็นคนดีอะไรก็ว่าไปก็ถูกอันนั้นผูกไว้อันนั้นก็เป็นสัญญอดผูกผูกเอาไว้พอผูกเอาไว้การกระทาของเขาก็เป็นกรรม เ, เห็นไมคิดถึงอดีตก็ถูกอดีตผูกคิดถึงอนาคตก็ถูกอนาคตผูกว่ามีเราอยู่ ทีนี้สภาว่าอันใดหรือว่าอะไรที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในปัจจุบันพอไปคิดถึงมันรับรู้มันเข้าแล้วก็เพลิดเพลิพนก็ถูกมันผูกอีกผูกว่ามีเราที่ทำเราที่พูดเราที่คิดมันก็เป็นกรรมอีกอย่างนี้พอเข้าใจไหมแต่ถ้าไม่ถูกมันผูกมันก็ไม่เป็นกรรมเท่านั้นแหละไม่ได้มีอะไรอย่างนี้อันนั้นก็คือการไม่ถูกสัญญหรือว่าไม่ถูกอดีตอนาคตและปัจจุบันผูกเอาไว้อันนั้น ก็เรียกว่าการสลายกรรมหมดกรรมไปสิ้นกรรมไปไม่ต้องมีกรรมมีแต่การกระทําคิดถึงอดีตก็ได้แต่ไม่ถูกอดีตผูกไม่มีสัญญมันก็สลายไปนะคิดถึงอนาคตก็ได้แต่ไม่ถูกอนาคตผูกไว้มันก็สลายไปรู้สภาวะต่างๆในปัจจุบันรับรู้เรื่องปัจจุบันหรือว่าทําอะไรในปัจจุบันก็ได้แต่ไม่ถูกสิ่งต่างๆเหล่านั้นผูกเอาไว้พอไม่ผูกเอาไว้มันก็ไม่เกิดกรรมขึ้นมากรรมก็สลายไป นะครับอันนี้แหละเป็นหลักของอริยมรรคนั่นเองก็คือหลักของการสลายกรรมให้กรรมมันหมดไปกรรมมนิโรธะหรือว่าจะบอกว่าสิ้นกรรมไปหมดกรรมไปดับสนิทของกรรมอะไรก็แล้วแต่จะว่านะซึ่งจริงๆก็คือเข้าใจธรรมะตามที่มันเป็นจริงนั่นแหละมันก็สลายไปหมดแล้วเพราะว่ามันไม่มีตัวตนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าท่านนิครนนี้ก็มีลักษณะที่เหมือนเราทั้งหลายนั่นแหละคือ ยังเกิดความยึดถืออยู่เห็นบอกว่าคนใดก็ตามที่ยังชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงคนนั้นจะไปอบายตกนรกนี่นะนี่ก็คล้ายๆกับเคยทำอะไรไว้ในอดีตแล้วก็คิดถึงนึกถึงไปแล้วก็ถูกมันผูกเอาไว้พอมันผูกเอาไว้ก็มีเรื่องอนาคตด้วยอนาคตก็คิดถึงอนาคตก็ผูกเอาไว้อย่างนี้นะ บุคคลทำกรรมอะไรเอาไว้มากนะยังมาหูรังยังมาหูรังวิหรติอยู่ด้วยกรรมอันใดอันใดมากเตนะเตนะนิยติบุคคลนั้นก็จะถูกนําไปด้วยกรรมนั้นๆอันนี้ท่านในบ้านชื่อว่าอาสิพันธกบุตรก็ได้กล่าวกับพระพุทธเจ้าว่านิครนนาตบุตรนี้สอนสาวกทั้งหลายอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าเอวังโขอ เดี๋ยวนในบ้านยังพูดไม่จบเอวังโขพันเตนิคันโถนาตบุตรโตสาวกานังรรมังเดเสติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านนิกลนาตบุตรย่อมแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้แหลต่อไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ายังพระหุลังยังพระหุลังจะขามนิวิหรติเตนะเตนะยินียติดูก่อนนบ้าน กรรมอันใดกรรมอันใ ด, นดที่บุคคลกระทำเอาไว้มากเตนะเตนะยินจติบุคคลย่อมถูกนำไปด้วยกรรมนั้นๆเอวังสันเตเมื่อเป็นเช่นนั้นนะโกจิอาปาญิโกเนระิโกพวิตสติก็จะไม่มีใครไปอบายหรือว่าตกนรกเลยยะถา นิคันทัสสะนาตะบุตัสสะว่าจะนังตามคำของนิครนาตบุตนั้นนะนิครนาตะบุต ท, ท่านบอกว่าบุคคลทำกรรมอะไรอะไรเอาไว้มากทำกรรมชนิดไหนเอาไว้มากหรือว่าอยู่ด้วยแบบไหนมากบุคคลก็จะถูกนำไปตามการกระทำอันนั้นทำอันไหนมากก็จะไปตามอันนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วคงจะไม่มีใครไปอบายนรกหรอก ตามคาของนิครนนั้นหมายก็ว่าคําของนิครนนั้นขัดกันเองตอนแรกบอกว่าถ้าฆ่าสัตว์แล้วจะไปอบายตกนรกใช่มเนยบอกว่าใครที่ฆ่าสัตว์จะไปอบายตก น, กนก ร, ร ก, นกใครที่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จะไปอบายตกนรกนี่ชุดที่หนึ่งพูดจบไปแล้วพอชุดต่อมาบอกว่าคนทำกรรมอะไรอะไรไวมากก็จะไปตามกรรมอันนั้นสองคนี้มันขัดกันเอง มันขัดกันยังไงเพราะว่าปกติแล้วเราได้ฆ่าสัตว์เยอะไม่วันวันนะปกตินานๆจะฆ่าทีหนึ่งตั้งหลายวันกว่าจะฆ่าทีหนึ่งนั่นฉะนั้นไม่ฆ่าสัตว์มันเยอะกว่าฆ่าสัตว์ฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปอาบายเลยสักคนเดียวพูดมาข้างบนพูดดีพูดมาข้างล่างก็ดูพูดดีแต่สองคำนี้ขัดกันเองนะพอเข้าใจไหมอย่างนี้นะครับพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่า ดูก่อนนายบ้านนายผู้ใหญ่บ้านอย่างที่นิครนนาตบุตรนิครนนาตบุตรบอกว่าบุคคลทำกรรมอะไรอะไรไวมากบุคคลนั้นก็จะไปตามกรรมอย่างนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะไม่มีใครไปอบายหรือว่าตกนรกเลยตามคาของนิครนนาตบุตรอย่างนี้นะครับพระองค์ก็จะยกตัวอย่างแสดงให้ดูแล้วก็ถามนายขามั น, นี่ ในยอ่อหน้าที่สองนะครับถามเป็นลําดับไปแต่ละข้อแต่ละข้อนะในยอ่อหน้าที่สองอ่านพร้อมกันนะตังกิงมัญญสิขามณิโยโสปุริโสปานาติปาตรัติยาวาดิวสัสสสะวาสมยาสัมยังอุปาดายะกัตะโม วะหุตโรสมโยยังวาโสปานังอติปาเตติยังวาโสปานังนาติปาเตติติโยโสพันเตปุริโสปานาติปาติรัตติยาวาดิวาสัตสวาสมยาสมะยัง อุปาดายะอัปะตโรโสสัมโยยังโสปานังอาทิปาเตติอาทาโขสเววะวะหุตโรสัมโยยังโสปานังนาติปาเตติติยังวะหุลังยังวะหุลังจะคามาณิ วิหารติเตนะเตนะนียติติเอวังสันเตะนะโกจิอาปาญิโกเนรยิโ ก, โกพวิสติยถานิคันทัสสะนาตปุตตัสสะวัจนังพระพุทธเจ้าก็ถามนายขามณ้ว่า ตังกิงมัญญสิขามณนีดูก่อนนายขามนันีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนหรือว่ามีความเห็นในเรื่องนี้ว่าอย่างไรโยโสปุริโสปานาติปาติรัตติยาวาดิวัสสวาสมยาสมยังอุปาดายะบุคคลใดที่เป็นผู้ฆ่าสัตว์อาศัยช่วงเวลาต่างๆ ทั้งสมัยและไม่ใช่สมัยแห่งราตรีก็ดีแห่งกลางวันก็ดีกัตะโมวะหุตโรอันไหนมากกว่ากันระหว่างสมโยยังวาโสปานังอติปาเตติเวลาที่เขาฆ่าสัตว์กับยังวาโสปานังนาติปาเตติเวลาที่เขาไม่ได้ฆ่าสัตว์อันไหนมากกว่ากัน ที่เขาใช้ชีวิตอยู่นี่อา้าวก็ท่านนิโคโ่บอกว่าทากรรมมาไหนเยอะก็จะไปตามกรรมมันนั้ น, นแล้วตอนที่เขาใช้ชีวิตอยู่นี่เวลาไหนมันมากกว่ากันระหว่างเขาฆ่าสัตว์กับตอนที่ไม่ได้ฆ่าสัตว์สมัยที่ฆ่าสัตว์เวลาที่ฆ่าสัตว์กับเวลาที่ไม่ได้ฆ่าสัตว์นายกรรมนี้ก็ตอบได้อยู่แล้วตอบว่า โยโสพันเตปุริสโสปานาติปาตีรัติยาวาดิวสัสสวาสมยาสมยังอุปาดายะอัปปตโรโสสมโยยังสโสปานังอติปาเตติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลใดที่เป็นผู้กระทําปานาติบาตอาศัยช่วงสมัยเวลาต่างๆในตอนกลางคืนบ้างในตอนกลางวันบ้าง อปัตตโรโสสมโยยังโสปานังอติปาเตติในช่วงเวลาที่เขาคนนั้นทำปานาติบาตคือฆ่าสัตว์ยังชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปนั้นมีประมาณน้อยกว่าอปัตตโรมีประมาณน้อยกว่าอธะโขสเววะปะหุตโรสมโยยังโสปานังนาติปาเตติ โดยที่แท้ในเวลาที่บุคคล น, นั้นไม่ได้ฆ่าสัตว์นั้นมีมากกว่าตอนที่เวลาเขาฆ่าสัตว์นั้นมีน้อยกว่าเวลาที่ไม่ได้ฆ่านี้มีมากกว่าพระพุทธเจ้าก็เลยสรุปว่ายังพระหูลังยังพระหูลังจะคามณิวิหรติดูก่อนในบ้านคําพูดที่ว่าบุคคลใดทํากรรมชนิดใดอะไรเอาไว้มาก เตนะเตนะนิยติติบุคคลนั้นก็จะเป็นไปตามกรรมอ น, นั้นเอวังสันเตเมื่อเป็นเช่นนั้นนะโกจิอาปาญิโกเนรยิโกภวิสติก็จะไม่มีใครไปอบายไม่มีใครเป็นไปนรกยะฐานิคันทัสสนาตปุตตสวาจนังตามคําของนิครนาตบุตรเลยนะเห็ไหมพูดมาข้างบนนี้ พูดดีเหมือนกันบุคคลใดก็ตามที่ฆ่าสัตว์บุคคลนั้นจะไปอบายนรกจนกระทั่งถึงบุคคลใดก็ตามที่พูดเท็จพูดคาไม่จริงบุคคลนั้นจะไปอบายตกนรกแล้วก็พูดต่อมาว่าบุคคลทำกรรมอะไรอะไรเอาไว้มากเขาก็จะไปตามกรรมอันนั้นดูเหมือนถูกทั้งสองอันเลยนะแต่ว่ามันขัดกันเองนะเพราะว่า เขาฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์เยอะกว่ากันเขาไม่ฆ่าสัตว์เยอะกว่าฉะนั้นเขาก็ไม่ควรจะไปอบายตกนรกใช่ไหมเขาพูดเท็จหรือไม่พูดเท็จเยอะกว่ากันก็ไม่พูดน่ยมันเยอะกว่านั้นๆจะพูดเท็จทีหนึ่งเนาะนอกนั้นก็อยู่เฉยๆฉะนั้นเขาก็ไม่ไปอบายไม่ตกนรกตามคําของนิครนนาตบุตรนะครับนี่นะ ในย่อหน้าต่ อ, ตอมาพระองค์ก็ถามเรื่องการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้นั่นแหละเวลาที่ถือเอาเวลาที่รักทรัพย์กับเวลาที่ไม่ได้ลักนั้นอันไหนมากกว่ากันต่อมาก็หน้าที่สองถามเรื่องการประพฤติผิดในกามเวลาที่ประพฤติผิดในกามกับตอนไม่ประพฤติผิดในกามนั้นอันไหนมากกว่ากันตอนที่ประพฤติผิดในกามก็น้อยกว่าตอนที่ไม่ประพฤติผิดก็มากกว่า ฉะนั้นที่บอกว่าบุคคลใดประพฤติผิดในการมแล้วก็จะไปนรกอันนั้นก็ฟังก็ดูดีเหมือนกันแต่พอมาพูดบอกว่าบุคคลทำกรรมอะไรๆเอาไว้มากบุคคลนั้นก็จะไปตามกรรมอันนั้นก็เลยไม่มีใครไปนรกตามคาของเขาเลยอย่างนี้นะครับจนถึงในหน้าที่สองย่อหน้าสองนะก็ถามเรื่องบุคคลที่พูดโกหก ในการพูดโกหกเวลาที่พูดโกหกกับไม่พูดโกหกอันไหนมากกว่ากันอันไหนน้อยกว่ากันตอนพูดโกหกก็น้อยตอนไม่พูดโกหกก็มากกว่านะครับอันนี้เราก็จะได้เห็นว่าการเข้าใจเรื่องของกรรมหรือว่าเรื่องของการรักษาศีลจริยธรรมต้นๆที่มันยังผิดพลาดอยู่มันเป็นยังไงซึ่งบางทีเราก็อาจจะยังเห็นอย่างนั้นอยู่เช่นว่าบุคคลฆ่าสัตว์แล้วจะไปนรกอันนี้ผิด เพราะว่าเป็นความเห็นของท่านนิครนที่มีความเห็นว่าที่ยงว่ามีตัวตนอาศัยการนึกไปถึงอดีตแล้วก็ถูกอดีตนั้นผูกตัวเองจับเอาไว้เรียกว่าสัญญอดถูกจับเอาไว้คิดถึงอนาคตว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถูกจับเอาไว้นะยึดถือการกระทําว่าเป็นตัวเป็นตนมีเราที่ทํานั่นแล้วมีเราจะไปนูน่นมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งอริยาสาวก จะเป็นอย่างนั้นนั่นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าท่านมีความเห็นอย่างถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ความเห็นที่ว่าบุคคลทำกรรมอะไรอะไรไว้มากแล้วก็จะไปตามกรรมนั้นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเพราะว่าเป็นความเห็นของท่านนิครนนะครับเราก็อาจจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะโอ้เธอทาบุญเยอะๆนะจะได้ไปสวรรค์อย่างนี้ใช่ไหมเอออย่างนี้ไปนิครนแล้วนะ ฆ่าสัตว์เยอะๆโอ้ย oh, ไปเอาบายนี่นี่ครนไปหมดเลยพวกนี้นะนะโดยส่วนใหญ่เขาหลอกท่า น, น่ะโอ้ oh, ทำบุญเยอะๆแล้วจะได้ไปสวรรค์อะไรก็ว่าไปอันนี้เข้าหลักนีครนไปหมดนะนะมันหลอกคนง่ายนะเพราะว่าคนมีตัวมีตนกันนะครับส่วนของจริงนี่มันฟังยากหน่อยหนึ่งนะครับต่อไปย่อหน้าสุดท้ายในหน้าที่สองนะครับอ่านพร้อมกันนะ อิทัคามณิเอกัจโจสัทถาเอวังวาดิโหติเอวังดิธิโยโกจิปานามติปาเตติสับโสอาปาญิโกเนระยิโกโยโกจิอดินังอดิยติสับโสอาปาญิโก เนระยิโยกโยโกจิกาเมสุมิจฉาจรารติสัพโบโสอาปายิโกเนระยิโกโยโกจิมุสาพนาติสัพโบโสอาปายิโกเนระยิโกติตัตสมิงโขปณะคามณิ สัธริสาวโกอภิปสันโนโหติตัสาเอวังโหติไม่หังโขสัทถาเอวังวาดีเอวังดิถิโยโกจิปานะมะติปาเตติสั บ, บโส อ, อาปาญิโกเนรยญิโกติ อาทิโขปณะมะยาปานโนอาิปาติโตอาหัมปัมหิอาปาญิโกเนรยญิโกติดิถิงปติลาภติตังคามนิวาจังอาปหายะตังจิตตังอาปหายะตังดิดถิง อปตินิสัตชิตวายะถาภตังนิกิตโตเอวังนิระเยไมหังโขสัทธาเอวังวาดีเอวังดิธิโยโกจิอดินังอาดิยติสับ โ, บโสอาปายโกเนรยิโกติ อธิโขปนะมะยาอดินนางอดินนางอหังปัมมะหิอาปาญิโกเนรยิโกติดิถิงปะติละพติตังคาม a ิวาจังอัปะหายะตังจิตตังอัปะหายะตังดิดถิง อปตินิสัตจิตวายะถาพตังนิขิตโตเอวังนิระเยไมหังโขสัทธาเอวังวาดีเอวังดิธิโยโกจิกาเมสุมิชฉาจารติสโวโสอาปายิโกเนระยิโกติ อาทิโขปณะมะยากาเมสุมิจฉาจินนังอหังปัมมะหิอาปาญิโกเนรยิโกติดิถิงปะติลพภติตังขามณิวาจังอัปหายะตังจิตตังอัปหายะตังดิถิง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 อธิโขปนมะยามุสาภนิตังอหังปัมมิอาปาญิโกเนรยิโกติดิถิงปัติลพภติตังขามนิวาจังอัปปหายะตังจิตตังอัปปหายะตังดิถิง อปฏินิสัตจิตวายะถาภะตังนิกิโตเอวังนิระเยนะครับในหน้าที่สองย่อหน้าสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับนายคามณิบอกว่าอิทะคามณิเอกัจโจสดถาเอวังวาดีโหติเอวังนิธิดูก่อนนายคามณิ ศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาจาอย่างนี้เป็นผู้มีความเห็นอย่างนี้เอวังวาดีมีวาจาหรือว่ามีคำสอนอย่างนี้เอวังทิฏฐิมีทิฏฐิมีความเห็นอย่างนี้ว่าโยโกจิปานามติปาเตติสับโศ อ, อาปาญิโกเนรยญิโก บุคคลใดก็ตามที่ยังชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปบุคคลนั้นทั้งหมดจะไปอบายตกนรกโยโกโจิอดินนังอาดิยติสัปโวโสอาปาญิโกเนรยิโกบุคคลใดก็ตามที่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้บุคคลนั้นทั้งหมดจะไปอบายตกนรก โยโกจิกาเมสุมิชฉาจรติสับโโบโสอาปาญิโกเนระญิโกบุคคลใดก็ตามที่ประพฤติผิดในกรรมบุคคลนั้นทั้งหมดจะไปอบายตกนรกโยโกจิมุสาพนติสับโโบโสอาปาญิโกเนรยญิโกติบุคคลใดก็ตามที่พูดโกหกบุคคลนั้นทั้งหมดจะไปอบายตกนรก ตัดสมิงโขปนะคามณิสัธริสาวกโกอภิปสันโนโหติดูก่อนนายคามณิสาวกที่เลื่อมใสในศาสดานั้นตัดสะเอวังโหติความคิดอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่สาวกนั้นว่าไม่หังโขสัทธาเอวังวาดีเอวังนิธิ พระาศาสดาของเร า, าศาสดาหรือว่าครูของเรานั้นมีคำสอนอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าโยโกจิปานะมติปาเตติสับโศอาปายิโกเนระิโกบุคคลใดก็ตามที่ยังชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปบุคคลนั้นทั้งหมดจะไปอบายตกนรกอติโขปนมยาปาโนอติปาติโต ก็สัตว์ที่เคยสัตว์ที่เราทำให้ตกล่วงไปมีอยู่สัตว์ที่เราเคยฆ่านะนะมีอยู่อหังปัมมหิอาปาญิโกเนระยิโกติดิถิงปฏิลาภติเขาได้ความเห็นขึ้นมาว่าแม้เราก็จะเป็นผู้ที่ไปอบายตกนรกนะ อันนี้ก็คือเขาเชื่อคำสอนแบบนี้ศาสนาเขาบอกว่าบุคคลใดก็ตามที่ฆ่าสัตว์บุคคลนั้นทั้งหมดจะไปอบายตกนรกคนนี้เขาก็เกิดความคิดเกิดความเห็นขึ้นมาว่าโอ้สัตว์ที่เราเคยฆ่านั้นมีอยู่เราเคยฆ่าสัตว์มาฉะนั้นแม้เราก็จะไปอบายแล้วก็ตกนรกด้วยอย่างนี้นะทาตรง น, นี้นะครับ ว่เขาเชื่อเนะ่ยเชื่อครูเขานะใครก็ตามที่ฆ่าสัตว์คนนั้นจะไปอบายตกนรกอู้เราก็เคยฆ่าสัตว์ฉะนั้นเราก็จะไปอบายแล้วก็ตกนรกด้วยแม้เราก็จะไปอบายตกนรกตังคามนิวาจังตังจิตตังตังคามนิวาจังอัปปหายะตังจิตตังอัปปหายะตังดิดถิงอัปติสัตว์ จิตตวยะถาพตังนิคิตโตเอวังนิระเยดูก่อนนายขามันิบุคคลยังไม่ละวาจานั้นยังไม่ละจิตเช่นนั้นยังไม่สละคืนซึ่งทิฏฐิอันั้นเขาก็จะตกไปในนรกเหมือนกับถูกเอาไปวางไว้อย่างนี้นะที่เขาตกนรกนี่ไม่ใช่ตกเพราะว่าไปฆ่าสัตว์นะ เขาไม่ละวาจาอันนี้ที่ตกนรกเนี่ยเพราะว่าไม่ยอมละวาจา น, นี้ไม่ยอมละจิตเช่นนี้ไม่ยอมสละคืนทิฏฐิเช่นนีนะ้เพราะว่าเขาดันไปเชื่อศาสดาเข้านะครับศาสดาของเขาบอกว่าบุคคลใดก็ตามที่ฆ่าสัตว์บุคคลนั้นทั้งหมดก็จะไปอบายตกนรกเออเราก็เคยฆ่าสัตว์ฉะนั้นเราก็จะไปอบายแล้วก็ตกนรกด้วยเขาก็ คนเนี้ยก็จะไปตกนรกเหมือนกับถูกเอาไปวางไว้ในนรกเลยพ้นไปไม่ได้เพราะอะไรไม่ใช่เพราะฆ่าสัตว์แต่เพราะไม่ละวาจานี้ไม่ละจิตอันนี้แล้วก็ไม่สละคืนทิฏฐินี้ไม่ใช่เพราะฆ่าสัตว์นะทุกคนมันฆ่าสัตว์ทุกคนนะนะแต่พาอที่ไปนรกนี่นะเหมือนกับถูกเอาไปวางไว้เลยเนี่ยเพราะอะไร เพราะว่าไม่ละวาจานี้ไม่ละจิต น, นี้ไม่สละคืนทิฏฐิอันนี้นะข้ออื่นก็ทํานองเดียวกันนะครับคนที่เขาเลื่อมายในศาสนาศาสนาเขาบอกว่าบุคคลใดที่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้บุคคลนั้นก็จะไปอบายตกนรกโอ้เราก็เคยถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เหมือนกันใช่ไหมโอ้ฉะนั้นแม้เราก็จะไปอบายตกนรกเหมือนกันเนี่ ทำนองนี้เขาก็จะตกนรกเหมือนกับถูกคนเอาไปวางไว้ทีเดียวเพราะอะไรเพราะไม่ละวาจานั้นไม่ละจิตนั้นไม่สละคืนทิฏฐินั้นไม่ใช่เพราะไปรักของนะเพราะว่าไม่ยอมสละทิฏฐินะครับน่เขาฟังศ า, ศาสดามาว่าบุคคลใดก็ตามที่ประพฤติผิดในกามบุคคลนั้นก็จะตกนรกโอ้เราก็เคยประพฤติผิดในกามมา แม้เราก็จะไปอบายตกนรกด้วยเหมือนกันเนี่เขาก็ไม่ละวาจานั้นไม่ละจิตนั้นไม่สละคืนทิฏฐินั้นเขาก็จะตกไปในนรกเหมือนกับถูกคนเอาไปวางไว้นะไม่ใช่ไปนรกเพราะว่าประพฤติผิดในกามแต่เพราะว่าไม่สละคืนทิฏฐิอันนี้นะครับพูดโกหกก็เหมือนกันนะเขาฟังศาสดามาว่า บุคคลใดก็ตามที่พูดโกหกบุคคลนั้นก็จะไปอบายตกนรกเขาก็เชื่อศาสดาน ะ, ะเชื่อศาสดาก็ดีเหมือนกันแนหะแต่ว่าถ้าศาสดาไม่ดีสอนไม่ถูกขึ้นมานี่ก็ลําบากเหมือนกันนะนะครับพอเชื่อแล้วก็บอกว่าโอ้เราก็เคยพูดโกหกมาเหมือนกันฉะนั้นเราก็จะไปอบายตกนรกกับเขาด้วยเขาก็จะตกนรกเหมือนกันนั่นแหละเพราะอะไรไม่ใช่เพราะพูดโกหกแต่เพราะว่า ไม่ละคำพูดนั้นไม่ละวาจานั้นไม่ละจิตนั้นแล้วก็ไม่สละคืนทิฏฐินั้นนะครับนะเราเรียนธรรมะแล้วก็คงจะสละได้นอ้อทิฏฐิอย่างเนี้ยคนไหนที่ฆ่าสัตว์คนนั้นจะไปอบายอย่างนี้ต้องสละทิฏฐิอันนี้ออกนะไม่อย่างนั้นเราเนี่ยแหละจะไปนรกไม่ใช่ไปนรกเพราะฆ่าสัตว์นะไปนรกเพราะไม่สละคืนทิฏฐิอันนี้นะ เราบางคนเนะี่ยพูดดูดีนะโอ้คนอื่นทําผิดนี่เธอทําผิดต้องไปอาบายนะนี่ว่าอย่างนี้ไปอีกอย่าไปทําอย่างนั้นนะคนอื่นเขาจะยึดถือคําพูดของเราถ้ายึดถือคําพูดของเราเขาก็จะไปอาบายไม่ใช่เพราะเขาทําผิดแต่เขายึดถือคําพูดแล้วก็ไม่สละคืนทิฏฐินะครับฉะนั้นตัวคําพูดตัวทิฏฐิตัวความเห็นนี้มันอันตรายมากกว่าออื่นนะถ้าคนที่มีทิฏฐิที่ถึงพร้อมแล้วเป็นพระโสดาบันแล้ว ความทุกข์ที่เคยมีทั้งหลายก็จะหมดไปแทบทั้งหมดและเหลือนิดเดียวเองนะครับฉะนั้นตัวความเห็นนี่มันเป็นตัวอันตรายมากกว่ากิเลสอันอื่นกิเลสอันอื่นนะโลภะโทสะอะไรต่างๆพวกนี้ยังไม่ต้องรีบละเขามากก็ได้ให้ละความเห็นซะก่อนนะพวกโลภะโทสะถ้ายังติดข้องอะไรอยู่ก็ไม่เป็นไรติดๆไปก่อนก็ได้แต่อย่าเห็นผิดนะอย่าเห็นผิด อย่าเห็นว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาบังคับนั่นบังคับนี่ได้ให้ค่อยๆศึกษาแล้วก็ละความเห็นผิดออกไปนะครับอันนี้ก็ดูเหมือนเรื่ององ่ายๆนะเรื่ององ่ายๆเรื่องการรักษาศีาลอะไรธรรมดาเองแต่ถ้ารักษาแบบไม่ถูกต้องนะโดยคิดว่าอเราไม่ดีเราจะไปอบายพยายามให้เป็นคนดีพยายามหนีอบายเพราะว่าเราเคยทําผิดมาแล้วกลัวไปอบายอย่างนี้เป็นยังไง อย่างนี้ตายพอดีไปอบายอุตส่าห์ทาดีตั้งนานไปอบายเพราะว่าไปอบายเนี่ยไม่ใช่เพราะทําผิดอันเก่าด้วยแล้วก็หนีอบายไม่ได้ด้วยเพราะว่าไม่สละทิฏฐินั้นเห็นไหมนี่นะโอ้ยเราทําไม่ดีมาแล้วมเรากลัวจะไปอบายเพราะอันนั้นกลัวจะไปอบายเพราะอันนั้นพยายามทําดีใหญ่กลัวจะไปอบายก็ได้ไปอบายจริงๆด้วย นะอุตส่าห์ทำดีตั้งนานแต่ว่าไม่ได้ไปสุคติโลกสวรรค์แถมไม่ได้ไปอาบายเพราะการทำผิดด้วยไม่ได้ได้ไปอาบายเพราะไม่สละทิฐิโออันตรายจริงๆนะครับนะอันนี้นะก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานี่แหละนะฉะนั้นเราก็จะได้รู้คำพูดบางคำที่ดูเหมือนดีบางทีก็ไม่ดีก็มีเช่นว่าบุคคล ฆ่าสัตว์แล้วจะไปอบายนี่ก็ดูเหมือนดีแต่ไม่ดีบุคคลทํากรรมอะไรอะไรไว้มากก็จะไปตามกรรมอ น, นั้นนั่นแหละดูเหมือนดีแต่ไม่ดีเพราะไม่ถูกนะครับเป็นความเห็นของท่านนิครณ น, นะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้สอบถามในบ้านแล้วก็ในบ้านก็ได้ตอบตามความเข้าใจของตนเองแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าอ้าวมันขัดกันเองนะสองคำเนี่ยนะครับ ทีนี้ก็เป็นความเห็นของพระพุทธเจ้าหรือว่าผู้ที่รู้บ้างพระองค์ก็สอนเรื่องนี้เหมือนกันแต่ไม่ได้สอนแบบนั้นนะไม่ได้สอนแบบนั้นนะสอนอีกแบบหนึ่งเรื่องพระองค์ก็ให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในการมงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากทุจริตประการต่างๆเหมือนกันแต่ไม่ใช่เพื่อหนีไม่ใช่เพื่อหนีว่าแต่เดิมเราเคยผิดกลัวจะไปอบายนี้อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่แบบนั้น นะครับแต่เพราะเห็นว่าการกระทําอันนั้นมันไม่ดีมันเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นแล้วถ้าทําไปแล้วมันก็จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังเมื่อเกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังใจก็ไม่เกิดสมาธิพอไม่เกิดสมาธิก็ไม่เห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงเขาก็ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์เหมือนกันแต่ให้เป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนใจในภายหลังให้เกิด ศีลเกิดสมาธิและเกิดปัญญาเห็นความจริงไม่ใช่ไปคิดว่าโอ้อันเก่าเราไม่ดีเนี่ยอย่างนี้มันผิดไปตั้งนานแล้วนะเราเคยทําไม่ดีเห็นไหมไปนึกถึงอันเก่าพอนึกถึงอันเก่าแล้วถูกของเก่านั้นผูกไว้ผูกไว้เขาเรียกว่าสังโยชน์พอผูกไวนะ้อันนี้สังโยชน์เป็นสักกายทิฏฐิคิดถึงอดีตคิดถึงขันอดีตพอคิดถึงขันอดีตการกระทําผิดในอดีตถูกการกระทําผิดในอดีต ผูกเอาไว้เรียบร้อยเลยตายนะบางคนก็คิดถึงอนาคตก็ถูกอนาคตผูกไว้ต้องทำเพื่ออนาคตบางคนก็สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็ถูกมันผูกมันกันอย่างนี้นะครับก็ลำบากนะมีที่ให้ผูกเยอะแยะนะครับตัวกิเลส ต, ตัวผูกเอาไว้อันนี้เขาเรียกว่าสังโยชน์ผูกนั่นผูกนี่ให้เราทากรรมมากมายวนเวียนไปนะครับ ต่อไปในหน้าที่สามในย่อหน้าอ่านพร้อมกันนะครับอิทธปปณะคามนิตถาคะโตโลเกอุปัชติอระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโู อนุตโรปุริสตัมมสารถิสัทธาเดวะมนุษณานังมุทโภควาโสอเนกปริยาเยนะปานาติปาตังฆราหติวิคราหติปานาติปาตาวิรมัาติจาหะอดินนาดาหนัง ขารหัติวิขารหัติอะดินนาดานาวิรมติาติจาหะกาเมสุมิจฉาจารังขารหติวิขารหติกาเมสุมิจฉาจาราวิรมติาติจาหะมุสาวาดังขารหติวิขารหัติ มุสาวาดาวิรมาติจาหะตัดสมิงโขปนะคามณิสัทธริสาวโกอภิปสันโนโหติโสอิติปติสันจิกขติภควาโขอเนกะปริยาเยนะปานาติปาตังฆะรหติ วิคารหติปานาติปาตาวิรามถาติจาหะอติโขปนมะยาปาโนอติปาติโตยาวตะโกวาตาวตะโกวาโยโขปนมะยาปาโนอติปาติโตยาวตะโกวา ตาวะตะโกวาตังนสุถุตัง น, า ส, งนาสาธุอหันเจวะโขปณนะตับปัจยาวิปติสารีอัตสังนะเมตังปาปังกรรมังอากตังภวิสติติโสอิติปฏิสังขายะตันเจวะ ปานาติปาตังปัจจหติอายตินจะปานาติปาตาปติวิราโตโหติเอวะเมตสะปาปัสสะกรรมัสสะปหาหนังโหติเอวะเมตตะปาปัสสะกรรมัสสะสมติกโมโหติ อิทับปนะคามณิตถาคโตโลเกอุปัชติดูก่อนนายคามณิก็พระตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองวิชาจารณนะสัมปันโนเพียรพร้อมด้วยวิชาและจารณนะ สุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตโรปุริสธรรมสารถิเป็นนายสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใคร ย, ยิ่งไปกว่าสัตถาเดวมนุษย์สานังเป็นเทวดาของอเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน พควาเป็นผู้จำแนกแจกธรรมโสอนเนกปริยาเยนะปานาติปาตังพระหติวิครหติพระตถาคตเจ้าพระองค์นั้นทรงตำหนิติเตียนปานาติบาตเป็นอนเนกปริยายพระองค์ตำหนิติเตียนปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์เป็นอนเนกปริยายก็คือด้วยเหตุผลประการต่างๆ ที่ติเตียนปานานติบาตที่ว่าปานานติบา ต, าาาบาตามันไม่ดีก็ด้วยเหตุผลต่างๆมากมายสัตว์ทั้งหลายเขาก็รักชีวิตเขาเหมือนกันการที่เราไปเบียดเบียนเขาเขาก็เสียใจเป็นทุกข์คนเราต้องการสุขแต่ว่าไปทําให้เขาเป็นทุกข์อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นี่พระองค์ก็ตําหนิติเตียนปานานติบาตการฆ่าสัตว์การทํำร้ายเบียดเบียนสัตว์ด้วยเทศนาต่างๆมากมายเหมือนกันนะครับ ปานาติปาตาวิรมัทะอิติจาหะและพระองค์ก็บอกว่าเธอทั้งหลายจงงดเว้นจากปานาติบาทนี่ตามแบบของพระพุทธเจ้านะตํหนิติเตียนปานาติบาด้วยธรรมเทศนาที่หลากหลายด้วยเหตุผลมากมายหลายๆอย่างซึ่งเหตุผลต่างๆเราก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างนะครับหรือว่าเราลองสังเกตดูก็ได้ ว่าปานาติบานั้นมันมีโทษอะไรยังไงบ้างาก็มีเหตุผลเยอะแล้วพระองค์ก็บอกว่าเธอทั้งหลายจงงดเว้นจากปาณาติบาอะดินนาดานังฆะรหติวิฆะรหติพระองค์ตําหนิติเตียนการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้อะดินนาดานาวิรมะทะอิติจาหะแล้วก็บอกว่าเธอทั้งหลายจงงดเว้นจากอธินนาทาน กาเมสุมิจฉาจารังขะรหัติวิขะรหัติพระองค์ตำหนิติเตียนการประพฤติผิดในกามกาเมสุมิจฉาจาราวิรมะถะอิติจาหะแล้วก็บอกว่าเธอทั้งหลายจงงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาดังขะรหัติวิขะรหัติพระองค์ตำหนิติเตียนมุสาวาตคือการพูดเท็จ มุสาวาดาวิรัติจาหะแล้วก็บอกว่าเธอทั้งหลายจงงดเว้นจากมุสาวาทตัดสมิงโขปะนะค า, ามณิสัตริสาวโกอภิปสันโนโหติดูก่อนนายคามณิสาวกเป็นผู้เลื่อมใสในพระศาสดานั้นโสอิติปไตโสอิติปฏิสันจิกติ สาวกนั้นพิจารณาอย่างนี้ว่าภควาโขอเนกปริยาเยนะปานาติปาตังคารหัติวิคารหติพระผู้มีพระภาคทรงตํหนิติเตียนปานาติบาโดยอเนกปริยายปานาติปาตาวิรมะถาอิติจาหะแล้วก็บอกว่าเธอทั้งหลายจงงดเว้นจากปานาติบา อธิโขปณมายาปานโนอติปาติโตยาวัตโกวาตาวัตโกวาก็สัตว์มีชีวิตอันเราทําให้ตกล่วงไปคือฆ่าไปแล้วจํานวนมากมีอยู่แลโยโขปณมายาปานโนอติปาติโตยาวัตโกวาตาวัตโกวาก็การที่สัตว์ทั้งหลายถูกเรา ทำชีวิตให้ตกล่วงปายนั้นมีจำนวนมากตังณสุถุการกระทำเช่นนั้นไม่ดีตังณสาธุการกระทำเช่นนั้นไม่ถูกต้องอาหารเจวะโขปณะนะตับปัจจญาวิปติสารีอัดสังและเรานั้นเองก็จะเป็นผู้ที่เดือดร้อนใจเพราะสิ่งนั้นเป็นปัจจัยณนะเมตังปาปังกัมมังอกตังภวิสติ และบาปรกรรมนั้นชื่อว่าเป็นอันเราไม่ได้กระทําก็หาไม่ได้นี่นะนี่การคิดที่ถูกต้องหรือว่าการพิจารณาที่ถูกต้องเรื่องปาณาติบาตเป็นอย่างนี้ก็คือพระพุทธเจ้านี้พระองค์ตําหนิติเตียนโดยอนเนกปริยายนะเรื่องสัตว์ก็รักชีวิตเราก็รักเหมือนกันเขาก็รักเหมือนกันไม่ควรฆ่ากันทําร้ายกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อริยสาวกนั้นเลื่อมใสในพระาศาสดาแล้วก็พิจารณาอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคนี้ตําหนิติเตียนปานาติบาโดยอเนกปริยายแล้วก็บอกว่าเธอทั้งหลายจงงดเว้นจากปาณ า, าติบาและสัตว์ที่เราเคยฆ่านะมีอยู่เป็นจํานวนมากการที่สัตว์ที่เราเคยฆามีอยู่เป็นจํานวนมากการกระทําเช่นนั้นไม่ดีนการฆ่าสัตว์นี้ดีไหม ไม่ดีการกระทำเช่นนั้นไม่ดีไม่ใช่เราจะไปนรกนะการกระทำเช่นนั้นน่ะไม่ดีเราเคยฆ่าสัตว์มาเยอะแล้วชาตินี้เยอะไหมก็ลองไปดูชาติที่แล้วที่ไม่รู้อีกดูคนอื่นก็ได้เนี่ยการกระทำเช่นนั้นไม่ดีตังนัสาทุตังตั ง, ตงนสุทุกการกระทำเช่นนั้นไม่ดีตังนัาสาธุการกระทำเช่นนั้นไม่ถูกต้อง อาหารเจวะโขปนณะตัปัจยาวิปติสารีอัดสังและเราก็จะเป็นผู้ที่เดือดร้อนใจเพราะสิ่งนั้นเป็นปัจจัยนะครับการฆ่ า, ศ า, ศาสัตว์นี้มันจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนใจใช่ไหมนี่นะครับการพิจารณาที่ถูกต้องเขามองแค่ตรงนี้เท่านั้นเองเขาไม่มองเรื่องเราทำไม่ดีแล้วจะไปอบายตนกนรกไม่ใช่ง้นนะ มองเรื่องการฆ่าสัตว์มันเป็นของไม่ดีเป็นของไม่ถูกต้องและเราก็จะเป็นผู้ที่เดือดร้อนใจเพราะสิ่งนั้นเป็นปัจจัยแสดงให้เห็นว่าการเดือดร้อนใจนั้นไม่ได้มีตัวตนจริงนะมันเกิดจากเหตุจากปัจจัยเห็นไหมเกิดจากอะไรเป็นปัจจัยเกิดการกระทาที่ไม่ถูกต้องเกิดจากการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเวลาฆ่าสัตว์ก็ทาให้เดือดร้อนใจนะ ถ้าเราไปลักทรัพย์เป็นไงก็เดือดร้อนใจเพราะการลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมก็เดือดร้อนใจเพราะการประพฤติผิดในการมพูดเท็จก็เดือดร้อนใจเพราะการพูดเท็จเมื่อเดือดร้อนใจใจมันก็ไม่มีความสุขไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่เกิดปัญญาเห็นความจริงอย่างนี้นะเมตังปาปังกัมมังอกตังพวิสติและบาปกรรมนั้นจะชื่อว่า เป็นสิ่งที่เราไม่ได้กระทำก็หาไม่ได้นะเราก็ชื่อว่าได้เป็นผู้ที่กระทำบาปกรรมเป็นผู้ที่เดือดร้อนใจด้วยเหตุอันนั้นนี่เขาพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าอ๋อถ้าทาบาปกรรมไปแล้วจะทำให้เกิดความเดือดร้อนใจได้เห็นว่าทาไปแล้วมันเดือดร้อนใจมันไม่สบายใจพูดโกหกไปแล้วมันเดือดร้อนใจมันไม่สบายใจพูด ไม่ดีอะไรต่างๆทาอะไรไม่ดีไปแล้วทาผิดพลาดไปแล้วมันเดือดร้อนใจมันไม่สบายใจเขาก็สามารถละอันนี้ได้โสอิติปฏิสังขายะตันเจวะปานาติปาตังปัะชะติอริยะสาวกนั้นหรือว่าสาวกของศาสดานั้นบุคคลนั้นแหละพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ย่อมละปานาติบาตนั้นได้ อาญตินจะปานาติปาตาปติวิรตโหติแล้วก็เป็นผู้ที่งดเว้นจากปานาติบาตในโอกาสต่อไปเนี่ยพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ละปานาติบาตอันนั้นได้ละปานาติบาตอันเก่าได้ด้วยคืออปานาติบาตอันเก่านี้ผูกเขาไหมไม่ผูกแล้วก็เป็นผู้ที่งดเว้นจากปานาติบาตในโอกาสต่อไปด้วยเห็นไหมละปานาติบาตตัวนั้นได้ด้วย ถ้าพวกพิจารณาไม่เป็นเป็นไงโอ้เราเคยฆ่าสัตว์เอาไว้แล้วผูกเขาครับผูกเขาอุ้ยเราจะไปอบายนั่นเราเป็นคนไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้เขาว่าไปแต่ถ้าคนพิจารณาถูกต้องเขาเห็นว่าเออเราทําอย่างนั้นไม่ดีนะพอทําอย่างนั้นไม่ดีได้ทําแบบนั้นเราก็จะเดือดร้อนใจเพราะอันนั้นเป็นปัจจัยนี่เขาพิจารณาเห็นอย่างนี้พอพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็เห็นว่าอ๋อมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้ เขาก็ละปานาติบาตอันเก่าได้ด้วยอันนั้นได้ด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่งดเว้นจากปานาติบาตในโอกาสต่อไปด้วยในโอกาสข้างหน้าด้วยอันเก่าก็ละได้อันใหม่ก็งดเว้นได้ไม่ทำนี่ที่ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นบางคนนี่เขาไม่รู้อันนี้เขาไปคิดถึงของเก่าพอคิดถึงของเก่าคิดถึงไม่ถูกต้องพอคิดถึงไม่ถูกต้องอันเก่าก็ผูกเขา พอผูกเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาทำผิดทำผิดก็ไปอาบายตกนรกอะไรของเขาอย่างนี้เขาก็ตกนรกทำไมตกนรกเพราะไม่ยอมทิ้งทิฏฐินั้นนะไม่ใช่ตกนรกเพราะทำผิดนะตกนรกเพราะหาเรื่องให้ตัวเองตกนรกคือไปคิดถึงของเก่าและถูกของเก่าผูกเอาไว้ไม่สามารถทิ้งของเก่าไดา้ทำไม่ดีกับพ่อกับแม่ไปคิดถึงพอไปคิดถึงเป็นไงผูก ละอันนั้นไม่ได้พอละอันนั้นไม่ได้อันนั้นก็ผูกไว้เขาก็ไปอาบายที่ไปอาบายไม่ใช่เพราะทําผิดกับพ่อแม่แต่ไม่ยอมทิ้งทิฐินั้นนี่เข้าใจไหมนะฉะนั้นทิฐินี้มันอันตรายมากนะนะบางคนนี่เขาสอนกันมากเหลือเกินแล้วนะก็คืออทําบุญเยอะๆไม่ฆ่าสัตว์นะไม่รักทรัพย์นะจะได้ไปสุคติโลกสวรรค์แต่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะมันต้องเกี่ยวกับเรื่องของความเห็น แล้วก็ละปานาติบาตอันนั้นให้ได้นะอย่างที่พระองค์ยกตัวอย่างมาในเรื่องนี้ก็คือสาวกที่เลื่อมใสในสาศาสดาเลื่อมใสแล้วก็พิจารณาว่าพระาศาสดานั้นน่ะตำหนิติเตียนปานาติบาตเป็นอเนกปริยายแล้วก็บอกว่าเธอทั้งหลายจงงดเว้นจากปานาติบาตสัตว์ที่เราฆ่าน่ะสัตว์มีชีวิตที่เราฆ่าตาย มีเป็นจำนวนมากการฆ่าสัตว์มีชีวิตตายเป็นจานวนมากนั้นเป็นของไม่ดีเป็นของไม่เหมาะสมและเราก็จะเป็นผู้ที่เดือดร้อนใจเพราะอันนั้นเป็นปัจจัยบาปรกรรมอันนั้นก็จะชื่อว่าเราไม่ได้ทาก็หาไม่ได้เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ย่อมละปานาติบาตอันนั้นได้ปานาติบาตอันนั้นก็ไม่ผูกเขา αι, พอไม่ผูกเขาแล้วนอกจากละอันนั้นได้แล้ว อายตินจะปานาติปาตาปติวิรโตโหติก็เป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตในการต่อไปได้ด้วยของเก่าก็ไม่ผูกเขาไม่ครอบงำจิตใจเขาของใหม่เขาก็งดเว้นได้นี่อันนี้เป็นลักษณะที่เคยพูดให้ฟังบ่อยๆเรื่องของความเจริญในอริยวินยัยคือไปเห็นว่าเออที่ทามันเก่านั้นมันไม่ดี ไม่ดีแล้วก็สำรวมระวังต่อไปนะต้องพิจารณาไม่ให้อันเก่านั้นมันครอบงําได้ด้วยคือพิจารณาให้มองเห็นความจริงแล้วก็ละของเก่าได้ด้วยการละของเก่านี้ไม่ใช่ไปโยนมันทิ้งอะไรหรอกก็คือไม่ให้มันผูกนะละอดีตละอนาคตก็คือไม่ให้อดีตอนาคตมันผูกเราโดยส่วนใหญ่นั้นมีความเข้าใจผิดนะหลงยึดมั่นถือมั่นไปคิดถึงอดีตแล้วเป็นไงผูกไหม นั่นแหละเป็นสัญญอดนะของเก่ามันมีที่ไหนล่ะสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าอย่างนี้สิ่งที่เป็นอนาคตก็ไม่เคยมาถึงพอเราไปคิดถึงอดีตเป็นไงเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราดีอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ผูกเอาก็กลายเป็นสัญญอดนะครับเกิดความพอใจไม่พอใจอะไรมากมายเหลือเกินนะเกิดความหลงผิดไปคิดถึงอนาคตก็ทํานองเดียวกันนี่แหละ นี่กรรมมันอยู่ได้ด้วยอาการอย่างนี้นะที่เราทำกรรมวนเวียนอยู่ก็เพราะอย่างนี้แหลนะนะมันถูกผูกเอาไว้เขาเรียกสัญญอ์เครื่องผูกเอาไว้ในภพก่อให้เกิดภพการกระทำวนเวียนไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดเพราะมันมีเครื่องผูกแต่เมื่อใดที่เราฝึกฝนตามที่มันถูกต้องอย่างที่พระองค์สอนเอาไว้นี้ตั้งแต่ต้นนะพิจารณาเห็นโดยถูกต้องเห็น ในแง่ของความไม่มีตัวไม่มีตนเห็นนแง่ของการกระทําการกระทําปาณาติบาตอันนั้นการฆ่าสัตว์อันนั้นไม่ดีไม่เหมาะสมแล้วเราก็จะเดือดร้อนเพราะอันนั้นเป็นปัจจัยเห็นไหมมองเห็นเหตุเห็นปัจจัยไม่ได้มีตัวมีตนอะไรอย่างนี้ความเดือดร้อนใจก็ไม่ได้มีตัวมีตนเกิดจากการฆ่าสัตว์เกิดจากการลักทรัพย์เกิดจากการประพฤติผิดในกรรมเกิดจากการพูดโกหกอย่างนี้ เห็นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้นะครับเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะละปานาติบาตอันนั้นได้แล้วก็เป็นผู้ที่งดเว้นจากปาณาติบาตในโอกาสต่อไปพระองค์ก็สรุปว่าเอวะเมตสสะปาปัสสะกรมมัสสะปหาหนังโหติการละบาปรกรรมอันนั้นของอริยสาวกนั้นย่อมมีอย่างนี้แหละ เอวเมตสสะปาปะสะกรรมมัสสะสมติกโมโหติการก้าวล่วงบาปกรรมนั้นของสาวกนั้นย่อมมีอย่างนี้แหละเนี่ยการละบาปกรรมมันเป็นอย่างนี้นะละกระทั่งของเก่าได้ด้วยละปานาติบาตอันนั้นด้วยคือปานาติบาตอันเก่าที่เคยทําก็ละมันได้ด้วยไม่ถูกมันผูกของใหม่ก็งดเว้นได้ไม่ทาด้วย เป็นไงไม่มีไม่มีสลายกรรมไปอย่างนี้นะครับก้าวล่วงกรรมไปอย่างนี้ตั้งแต่ต้นไปนะฉะนั้น ก, การรักษาศีลนี่ต้องรักษาให้มันถูกต้องให้มันเหมือนที่พระองค์บอกเอาไว้นะจึงจะได้ประโยชน์จึงจะได้ความไม่เดือดร้อนใจแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิท่านจึงบอกว่าศีลอันเป็นกุศล น, นี่นะศีลที่รักษาด้วยความฉลาดด้วยความรู้ความเข้าใจเนี่ย จะทําให้ไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจทําให้เกิดปลาโมดปลาโมดก็ทําให้เกิดปีติปีติก็ทําให้เกิดปัสสัธิแต่ถศีลที่รักษาแบบโง่ๆเนี่ยมันไม่ได้เรื่องได้ลาวอะไรหรอกต้องรักษาแบบฉลาดท่านเรียกว่ากุศลศีล น, นะไม่ใช่ศีลธรรมดานะกุศลศีลคือกุศลของคนฉลาดกุศลแบบฉลาดศีลแบบฉลาดศีลของคนมีปัญญานะครับนี่ ศีลของคนมีป mm ัญญานี้ไม่ใช่รู้ง่ายๆนะต้องอยู่ด้วยกันนานๆจึงจะรู้ได้แล้วก็คนไม่มีปัญญาก็รู้ไม่ได้อีกต้องคนมีปัญญาจึงจะรู้ได้ยากเหมือนกันศีลแบบฉลาดนี่ลำบากนะครับพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าคนมีศีลนี่รู้ได้ด้วยการอยู่ด้วยกันนานๆและคนมีปัญญาจึงจะรู้ได้คนไม่มีปัญญาก็รู้ไม่ได้มันลาบากอย่างนี้ เราว่าท่านไม่ได้เอาศีลธรรมดาทั่วไปไม่ได้เอาศีลแบบยึดถือโอ้เราทําไม่ดีแล้วต่อไปต้องพยายามทําดีโอ้ทําไม่ดีมากเดี๋ยวจะไปอาบายเราต้องพยายามทําดีเยอะเพื่อสลายของไม่ดีนั้นนี่เขาว่าไปอย่างนี้ใช่ไหมโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะโดยส่วนใหญ่เราจะไปเชื่อหมอดูหมอเดากันอะไรพวกนี้นะเขาก็บอกโอ้ยคุณเคยทําไม่ดีต่อไปคุณต้องไปถวายสังฆทานถวายนั่นถวายนี่มันจะได้สลายกรรมอันนั้นไปเขาว่าอย่างนี้นะ นะี่อันนี้เป็นวิชาที่ถ้าพูดภาษาโหดๆหน่อยก็เรียกว่าวิชาหมาหมาแต่พูดภาษาธรรมะก็เรียกเดรฉานวิชานะเดรชานก็ยกมาสักสักตัวหนึ่งก็ได้วิชาหมาหมาอย่างนี้ก็ได้นะแต่อาจจะหยาบคายหน่อยหนึ่งหรือว่าวิชาค่อยๆอย่างนี้ก็ได้นะแต่พระพุทธเจ้าท่านพูดโหดกว่านี้เยอะนะแต่เราพูดก็แบบเกรงใจกันหน่อยหนึ่งนะี ซึ่งเป็นวิธีแก้อะไรต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามพระธรรมเป็นเดรฉานวิชาวิชาของพวกเดรฉานนะครับก็เดรฉานก็แล้วแต่เราจะใส่ชื่ออะไรมานะีวิชาหมาๆอย่างนี้ก็ได้วิชาคอยควายอย่างนี้ก็ได้นะีแต่ต้องระวังตัวดีๆนะไปพูดนะี่ยจากนั้นต้องแบบกุศลนะต้องแบบฉลาดนะครับกุศลศีลศีลที่ เป็นแบบกุศลแบบทําแบบคนฉลาดก็จะเป็นไปเพื่อปลาโมดปีติปัสสธิสุขและก็สมาธิทําให้เกิดปัญญาได้อันนี้นี่แหละแบบศีลทํานองนี้นะครับต่อมาก็ข้ออื่นๆมาตามลำดับนะในหน้าที่3ย่อหน้าสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของอธินนาทานนะอ่านพร้อมกัน ภควาโขอเนกปริยาเยนะอดินนาดานังขะระหติวิขะระหติอดินนาดานาวิรมาถาติจาหะอธิโขปนามะยาอดินังอดินังยาวัตะกังวาตาวะตะกังวา ยังโขปณมะยาอะดินนังอาดินนังยาวัตกังวาตาวัตกังวาตังณสุถุตังณสาธุอะหันเจวะโขปณะตับปัจยาวิปติสารีอัสังณเมตังปาปะกัมมัง อะกะตังภวิสติติโสอิติปาติสังขายะตันเจวะอะดินนาดานังปะชะหติอายตินจะอะดินนาดานาปะติวิรตัตโถโหติเอวะเมตัสะปาปัสสะกรรมัสสะปะหานังโหติ เอวเมตตสสะปาปัสสะกรรมมัสสะสมติกมโมโหตินในข้อต่อมาก็คล้ายๆเดิมนั่นแหละถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับภควาโขอเนกะปริยาเยนะอดินนาดานังขะระหติวิขะระหติสาวกนั้นก็พิจารณาอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงตำหนิติเตียนอธินนาทานเป็นอเนกปริยายาพระองค์ทรงตำหนิติเตียนการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้นั้นเป็นอเนกปริยายมีธรรมเทศนามากมายที่บ่งบอกโทษของอธินนาทานด้วยเหตุผลต่างๆที่เป็นไปตามความเป็นจริงพระองค์ก็แสดงให้ฟังอธินนาดานาวิรมถะอิติจาหะ และก็บอกว่าเธอทั้งหลายจงงดเว้นจากอธทินนาทานอาทิโคปณะมะยาอดินนางอาดินนางยาวะตะกังวาตาวะตะกังวาก็แลสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้อันเราถือเอาแล้วเป็นจำนวนมากมีอยู่แลคือเราเคยไปถือเอาสิ่งของคนอื่นมาเยอะเหมือนกันนะครับ ยังโขปนมะยาอดินนางอาดินนางยาวตกังวาตาวัตกังวาก็การที่เราไปถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นจํานวนมากตังนะสาธุการกระทําอันนั้นไม่ดีตังนะสุถุการกระทําอนั้นไม่ดีตังนะสาธุการกระทําอนั้นไม่เหมาะสม อาหารเจวะโขปณะตับปั จ, จยาวิปติสารีอัสังและเรานั้นแหละก็จะเป็นผู้ที่เดือดร้อนใจเพราะสิ่งนั้นเป็นปัจจัยณนะเมตังปาปรกรรมมังอกตังพวิสติและบาปรกรรมนั้นจะชื่อว่าอันเราไม่ได้กระทําแล้วก็หาไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการพิจารณาในแง่มุมของ การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้สิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เราก็เคยขโมยมาเอามาเยอะแล้วการกระทาอันนั้นไม่ดีไม่เหมาะสมและเราก็จกเป็นผู้เดือดร้อนเพราะอันนั้นเป็นปัจจัยเมื่อเดือดร้อนใจมันก็ไม่มีความสุขไม่เป็นสมาธิไม่ปลอดโปร่งไม่โล่งไม่เบาก็ไม่เกิดปัญญาเห็นความจริงอย่างนี้นะครับโสอิติสังขายะ ตันจะอดินนาดานางปะชะหัติสาวกนั้นพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ย่อมละอธินนาธานนั้นได้นะพิจารณาเรียบร้อยแล้วก็ละอดินนาธานนั้นได้อันเก่าๆที่พิจารณาไปนั่นแหละนะพิจารณาไปแล้วก็ละได้ไม่ใช่ไปมองดูโอ้แต่ก่อนเราเคยไปรักของวัดมาพอไปรักของวัดมาถูกมันครอบงมเอาอย่างนี้เป็นไงสัญชน์ มันผูกเอาเรียบร้อยแล้วแบบนี้ก็จะวนเวียนเป็นนั้นมากนะแต่ว่าถ้ารู้ว่าโอ้อันนั้นมันไม่ดีมันไม่เหมาะสมนะแล้วเราก็จะเดือดร้อนเพราะอันนั้นพิจารณามองเห็นตามความเป็นจริงแล้วอ๋อมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีตัวตนอะไรที่ความเดือดร้อนใจอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นก็เพราะอันนั้นเป็นปัจจัยอย่างนี้ก็ละอาทินนาทานอันนั้นได้ อาตินจะอดินนาดานาปฏิวิรโตโหติและก็เป็นผู้ที่งดเว้นจากอธินนาทานในโอกาสต่อไปแล้วก็งดเว้นอันใหม่ด้วยอันเก่าก็ละได้ด้วยอันใหม่ก็งดเว้นด้วยเอวเมตสสะปาปัสะกรัมรมัตสสะปหานงโหติการละบาปกรรมนั้นของสาวกนั้นย่อมมีอย่างนี้ เอวเมตสสะปาปัสสะกรมมัสสะสมติกโมโหติการก้าวล่วงบาปกรรมนั้นย่อมมีอย่างนี้นี่รู้จักไหมการละกรรมที่ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้การก้าวล่วงกรรมที่ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้การละบาปกรรมการก้าวล่วงบาปกรรมที่จะให้บาปกรรมมันสลายไปมันเป็นอย่างนี้คือว่าต้องมองให้มันถูกต้องมีปัญญาเห็นตามที่มันเป็นจริง พิจารณาดูตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วก็ละอันนั้นได้ไม่ถูกอันนั้นมันผูกพอไม่ถูกอันนั้นมันผูกแล้วก็เป็นผู้งดเว้นในโอกาสต่อไปด้วยนี่ของเก่าก็ไม่ผูกของใหม่ก็ไม่ทํามันก็ละได้ด้วยอย่างนี้แหละนะไม่ใช่ว่าเอาไม่ทําแล้วไม่ทําไม่พูดโกหกแล้วโกหกไม่ดีเดี๋ยวจะไปอบายพยายามจะ พูดดีไม่พูดโกหกแต่ของเก่าเป็นไงยังผูกตัวเองอยู่อย่างนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันเห็นไหมลําบากเหมือนกันนะนะครับฉะนั้นต้องเข้าใจดีๆนะของเก่าก็ต้องไม่ผูกด้วยแล้วก็ของใหม่ก็ไม่ทําด้วยอย่างนี้จึงจะรอดจึงจะพ้นจากกรรมได้ละบาประกรรมได้จริงไม่ใช่ว่าตอนนี้เราไม่ทําบาประกรรมแล้วไม่ใช่ว่านี่ เราละบาปกรรมได้แล้วมั่งทําบุญเยอะแล้วฉันสงสัยไปสุคติโลกสวรรค์แง่ๆเลยอย่างนี้ได้ไปแน่ไหมไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าเขายังไม่ละทิฐิอันนั้นไม่ละว่าตัวเองเลวตัวเองไม่ดีตัวเองทําผิดตัวเองจะไปอบายอยู่นั่นแหละนะนี่พอเข้าใจไหมนะครับในข้ออื่นก็ทํานองเดียวกันหน้าที่สี่พระองค์ก็กล่าวถึง สาวกเขาก็พิจารณาถูกต้องในแง่มุมของกาเมสุมิชฌาจาร์และก็ละได้มุสาวาตพิจารณาถูกต้องแล้วก็ละได้นี่ถ้าทำถูกต้องก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นไปเพื่อจิตใจเบาสบายปลอดโปร่งแล้วก็ละได้จริงๆแบบนี้เขาจึงเรียกว่ามีศีลแล้วก็ละทุจริตของเก่าก็ละได้ไม่ถูกมันครอบงาหรือว่า ไม่ถูกมันผูกไว้ให้ตัวเองสํานึกผิดอย่างนู้นอย่างนี้ของใหม่ก็ไม่ทำจะจะมีแต่ความเบาสบายอย่างนี้นะครับอ้าวพักสักครู่นะครับ